กแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย <Okay. S 1> เป็นเรื่องของร่างกายที่เมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเหมือนกันหมดของคนจนของคนรวยของคนเล็กของคนโตของมนุษย์ของเดรัจาน เป็นอนิจจังคือไม่เทีย่ยงเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของใครคนที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายนี้ <C ute> เป็นอาศัยเป็นผู้อาศัยร่างกายใจที่มาครองร่างกายนี้อาศัยร่างกายใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ให้ร่างกายพาไปไหนมาไหนที่มานี้ได้ก็เพราะว่ามีร่างกาย สั่งให้ร่างกายขึ้นรถขับรถเดินทางก็พาให้มาถึงที่นี่ได้คนที่สั่งไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปคนที่สั่งไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนที่ชื่อในกอในขอคนที่ชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกชื่อหลานชื่อสามีภรรยานี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายเป็นคนรับใช้ในกอในคอเป็นคนรับใช้พ่อแม่ดังนั้นคนที่ใช้ร่างกายไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ให้รู้ว่าเป็นเรื่องของคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจคือคนสั่งร่างกายเป็นคนรับใช้ ร่างกายนี้ต้างตายต้องแก่ต้องเจ็บแต่คนสั่งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคนสั่งก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่จะได้ร่างกายดีหรือไม่ดีก็อยู่บุญกับบาปที่ทำา้อยถ้าทำบาปมากกว่าบุญ เวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะได้ร่างกายที่เร็วกว่าเก่าถ้าทําบุญมากกว่าบาปเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่ามีฐานะดีกว่าเก่ามีเงินมีทองมากกว่าเก่ามีความรู้ความฉลาดมีอะไรต่างๆมากกว่าเก่า เพราะบุญเป็นเหตุที่ทำให้เราได้สิ่งที่ดีต่างๆส่วนบาปนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราได้สิ่งที่ไม่ดีังนั้นชีวิตของเรานี้เวลาเจออะไรไม่ดีก็โยนให้บาปไปเลยนี่แหละเป็นผลบาปเวลาเจออะไรดีก็บอกนี่แหละเป็นผลบุ ญ, ล ผ, ลบญผลบุญที่เราได้ทำไว้ในอดีตชาติ ไม่ใช่ชาตินีนะ้บุญในชาตินี้ยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงผลทำบุญวันนี้เราอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จะรวยนะอันนี้ต้องรอชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่แล้วกลับมาแทงลอตเตอรี่ใหม่ก็อาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้ถ้าทำบุญไว้มากฉนั้นทำบุญชาตินี้ เรายัางไม่ได้รับผลบุญอย่าไปเสียใจอย่าไปคิดว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญเช่นเดียวกับการทำบาปทำบาปในชาตินี้เรายัางไม่ได้รับผลบาปก็อย่าไปคิดว่าไม่มีผลบาปตามมามันดีเลย์เหมือนกับถ่ายทอดสดนี่มันดีเลย์มันไม่ปุ๊บปับ๊บ เวลาผู้นี้กว่าจะไปถึงเครื่องของที่ญาติโยมกำลังติดตามอยู่ก็เวลาผ่านไปอย่างน้อยก็1ิวินาที15วินาทีมันต้องมีเวลาทำให้เกิดผลขึ้นมาทำบุญวันนี้ทำบาปวันนี้มันก็ต้องรอให้มีผลให้ผลมันก่อตัวสร้างสร้างตัวมันขึ้นมา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดนี้มีอยู่คือความรู้สึกที่ใจนี้เกิดขึ้นทันใจทําบุญปั๊บก็มีความสดใจทําบุญแล้วมีความสบายใจในเรียกผลบุญทําบาปปั๊บมีความไม่สบายใจอันนี้ผลบาปอันนี้ไม่ต้องรอเวลาอันนี้ทันทีทันใดเขาเรียกว่าสด แต่ผลที่จะได้รับทางร่างกายนี่มันต้องรอพบหน้าชาติหน้าหรือถ้าพบนี้ก็ต้องรอเวลาเี่นทำความดีไปนานๆคนเขาเห็นเขาก็ให้รางวี่รางวลให้เครื่องราชอิสริยพรให้เกียรติบัตรให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต อันนี้ก็ต้องทำไปหลายๆปีทำไปจนเขาเห็นว่ า, าคนนี้ได้ทำความดีจริงเขาก็จะมีเรื่องวีรางวัลมามอบให้แต่ไม่ใช่ทำปุ๊บตอนนี้แล้วก็จะเอารางวัลเลยยังไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าทำเพื่อสร้างภาพหรือเปล่าหรือทำด้วยความจริงใจบางคนทำแบบสร้างภาพทำแบบหลอกลวง ทำให้คนเขาคิดว่าเราเป็นคนดีเขาก็ไม่มั่นใจเขายังไม่เขาจึงยังไม่ให้เราวิ่งรางวัลเหมือนสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเราจะรู้ว่าคนดีไม่ดีต้องรู้จักกันไปนา น, าน ไม่ใช่เห็นกันแค่ครั้งสองครั้งเห็นก็ทำดีทำชั่วครั้งสองครั้งก็แปลว่าเขาดีไม่ดีแล้วอันนี้ยังไม่พอต้องเก็บต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยหรือว่าคะแนนบวกกับคะแนนลบอันไหนมันจะมากกว่ากันถ้าเวลาผ่านไปผ่านไปคะแนนบวกมันมากกว่าคะแนนลบเราก็รู้ว่าเออคนนี้เป็นคนดีดีกว่า มีความดีมากกว่าความเร็วถ้าคะแนนลบมีมากกว่าคะแนนบวกเราก็จะรู้ว่าคนนี้เร็วเร็วมากกว่าดีนี่คือเรื่องของผลของการกระทำต่างๆที่บางอย่างก็เกิดขึ้นทันทีทันใดถ้าถ้าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นทันทีทันใด เวลาเราทำความดีนี่เราจะสบายใจทันทีเวลาเราทำความไม่ดีเราจะไม่สบายใจทันทีถ้าเราอยากจะได้ผลบุญเร็วรวดเ็วทันใจก็มานั่งสมาธิกันนั่งปุ๊บจิตสงบปับ๊บก็ได้ผลทันทีอันนี้ไม่ต้องรอพบหน้าชาติหน้าอยากบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ปฏิบัติทำไปเดี๋ยวชาตินี้ก็บรรลุได้ บางคนฟังเทศของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยอันนี้ไม่ต้องรอพบหน้าชาติหน้าอันนี้ปฏิบัติได้ทันทีทันใดเหมือนกับไปเบิกเงินที่ธนาคารถ้าบัญชีเรามีเงินนี่เขาก็จ่ายให้ทันทีเลยเัยงนันถ้าเราต้องการผลอย่างรวดเร็วมาปฏิบัติทำกัน มานั่งสมาธิกันพุโทโธพุโทโธกันจเจริญสติกันถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิห้านาทีจิตก็สงบจิตก็ขึ้นสวรรค์ชั้นพรงเลยแล้วถ้าจเจริญวิปัสสนาปองอนิจังทุกขังอนัตตาได้มองว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะไปหวงมันไว้ทําไมเราจะไปอยากมันทําไมเราจะไปยึดไปติดกับมันทําไมปล่อยมันไปอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอปล่อยได้ก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันได้หายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปรองอนิจจังทุกขงกังอนัตตา เห็นว่าทุกทรมานใจเพราะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอยอมให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายตายใจก็หายทุกทันทีนี่คืออริยรรสัจสเห็นอริยสัจส์่ต้องเห็นด้วยการปล่อยวางร่างกายต้องเจอเหตุการณ์จริงด้วยตอนนี้พูดไปก็ยังเหมือนเหมือนกับเล่าให้ฟัง เรายังไม่เจอความตายกันต้องรองไปหาหมอดูหมอบอกเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเหลืออีกสามเดือนดูซิว่าจะปล่อยได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้ก็จะไม่รู้สึกอะไรถ้าทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แสดงว่าปล่อยไม่ได้ยังอยากยังอยากให้มันหายยังอยากอยู่ต่อไปก็จะทุกข์ไปเรื่อย ทุกไปจนวันตายแต่ถ้าปล่อยอ่ะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงคนรับใช้เรามันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันไปห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เมื่อสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปทําไมทุกไปเปล่าเเพราะความอยากนี่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปนี่เห็นอริยาสาัจสีมีดวงตาเห็นธรรมใครอยากจะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมต้องให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก่อนพอเกิดความทุกข์้วมีปัญญาค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่า จากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าทุกข์กับแฟนแฟนตายไปก็ร้องโหมร้องไห้ก็เพราะว่าอยากไม่ให้แฟนแก่ไม่ไม่อยากให้แฟนตายไปถ้าทุกข์กับพ่อกับแม่ก็เพราะว่าไม่อยากให้พ่อให้แม่ตายไปแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายของใครก็เหมือนกันหมดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งนั้น พอยอมรับความจริงว่าพ่อต้องตายแม่ต้องตายไม่มีใครมาห้ามความตายของเขาได้เราก็ห้ามไม่ได้ความอยากของเราก็ห้ามไม่ได้แต่ความอยากของเราทําให้เราทุกข์พอเราไม่อยากว่ายอมรับว่าเขาต้องตายเราก็ไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายความทุกข์ใจเราก็หายไปดับไปนี่คือการ เห็นอริยสัจสี่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็จะไม่สงสัยว่าคนสอนมีจริงหรือไม่คนที่สอนอริยาาสัจสี่คือใครก็คือพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าเป็นคนตัดสบรู้อริยสัจสี่แล้วนำมามาสั่งสอนพวกเราให้เรามาดับความทุกข์กันด้วยการละความอยากเพราะต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากจะดับความ เราหายทุกข์เราก็รู้ว่าออคําสอนนี้เป็นคำคำสอนที่จริงเป็นสวากขาโตพระกัตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบด้วยของโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสอนไว้เราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงเราได้พบพระธรรมคําสอนแล้ว คนที่สอนเราก็รู้แล้วว่าต้องมีเพราะคําสอนนี่มาจากคนสอนไม่ได้โพลมาจากต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าคําสอนนี่มาจากพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระพเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้มีจริงพระสงค์คือใครก็คือผู้ที่เห็นธรรมนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติ ป, ปฏิบัติชอบ ผู้ที่เจริญสติสมาธิปัญญาจนเห็นอริยสัจสีก็เลยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปแล้วก็จะไม่ไปแก้ความทุกข์ด้วยวิธีพิธีกรรมต่างๆไม่ไปสะเดาะเคราะห์ด้วยการไปกากราบอะไรสมัยนี้ไปกาบเท้าพระพรหมกันนะเวลาทุกข์ใจก็ไปที่สีแยก าราบเฉะสงไปบนบาลขอให้พระพรหมช่วยดับความทุกข์หน่อยอ ย, อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่เนี่ยความอยากทำให้ทุกข์ไม่รู้สึกตัว อ, อยากจะได้อย่างเดียวยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์แต่ก็แทนที่จะหยุดกับอยากกับยิ่งอยากใหญ่เพราะยังยังไม่ได้ต้องเอาให้ได้บางคนก็อยากได้แฟนบางคนก็อยากจะได้ลูก บางคนก็อยากจะได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบางคนก็อยากจะขายที่บางคนก็อยากไปเมืองนอกเมืองนาร้อยแปดพันอยากก็ลเลยต้องไปขอขอจากเนะท้ามหาพรมไปบนมารสารเกา่าหรือไปทำพิีสะดะ็จเคาะบางคนพ่อนอนอยู่ใน ICU อยากให้หาย หมอดูบอกว่าให้ไปทําบุญสะดเดาะเคราะห์ก็ทําไปวิธีการเหล่านี้ไม่ได้เป็นวิธีการดับความทุกข์ใจของผู้ที่มีความทุกข์ใจผู้ที่เห็นอริยาสัจสี่แล้วจะไม่ทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อมาสะเดาะความทุกข์ของตนเองคนที่รู้แล้วว่าทุกเกิดจากเกิดจากตัณหาความอยาก จยากจะหายทุกข์ก็ต้องมาหยุดที่ตัณหาความอยากก็จะไม่ก็จะไม่งงงายกับการไปทำพิธีเสดเค์ต่างๆบางคนไปหาหมอดูหมอดูบอกต้องเปลี่ยนชื่อนะชื่อนี้ไม่ดีนะบางคนบอกต้องเปลี่ยนทรงผมนะทรงผมนี่ราศีไม่ดีบางคนบอกต้องย้ายบ้านนะอยู่บ้าน น, น, า น, นี้บ้านนี้ไม่ดี ก็เชื่อเขาย้ายไปก็เท่านั้นเปลี่ยนไปก็เท่านั้นคนที่เปลี่ยนชื่อไปติดคุกก็มีนั่งเยอะแยะในดีในบุญนี่ในเจริญเนี่ยไปดูที่ไปดูลายชื่อที่ในคุกตารางชื่อดีๆเท่านั้นนะแต่ทําไมไปติดคุกติดตารางกันเพราะตัวไม่ดีชื่อดีแต่ตัวไม่ดีตัวทําทําตัวไม่ดีถ้าอยากจะให้ตัว ตัวจเจริญตัวดีก็ทําตัวให้ดีเสทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาไปตัดความอยากไปแล้วจะเป็นตัวดีจะเป็นพระอาหารหันต์ก็เพราะตัดความอยากไปเป็นพระโสดาบันก็ตัดความอยากถ้าอยากจะเป็นคนดีตัดความอยากไปเลยความอยากนี่แหละทาให้เราเลวกันพออยากแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทําบาปกันอยากจะได้แฟนของคนอื่นก็ไปแย่งแฟนของเขา แย่งลูกแย่งสามีแย่งภรรยาเขาเพราะความอยากถ้าไม่อยากก็จะไปทําบาป ท, ทําไมถ้าไม่อยากได้เงินต้องไปขโมยทําไมต้องไปคอรับชันทําไมนี่แหละมนุษย์เราไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่การกระทําของเราเองท่านถึงบอกทําทดีได้ดีแต่กลับไปเห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่าทำดีแต่ไม่ได้ดีเพราะไปมองผลของความดีว่าต้องร่ำรวยถึงจะดีถึงจะได้ผลไม่ใช่คนทำความดีไม่ต้องร่ำรวยคนทำความดีเป็นคนที่ไม่ไม่เบียดเบียนผู้ไม่สร้างอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีภัยไม่มีพิษไม่มีอันตรายต่างๆมีความสุขใจคนดีมีความสุขใจ คามดีทำให้คนเราสุขใจความชั่วทำให้เราทุกข์ใจแล้วทำให้เราต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมไปสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆสะเดาะยังไงก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่มาแก้ที่กรรมที่เราทุกข์กันก็เพราะเรารับผลของกรรมที่เราเจอเคราะกรรมต่างๆก็เพราะกรรมที่เราทำมานี่เองวิธีที่จะ เราดอกข้อกรรมก็ปล่อยให้มันปรากฏขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปของมันเองวิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็หยุดความอยากอยาไปอยากให้ข้อกรรมหายไปข้อกรรมมันไม่หายหรอกเหมือนฝนตกเนี่ยอยากไปอยากให้ฝนหยุดมันไม่หยุดกถึงเวลามันหยุดเองเวลามันไม่มีไม่มีเมฆแล้วมันก็หยุดตกเองเวลาข้อกรรม กรรมที่เราทำไว้หมดข้อกรรมมันก็หมดไปเนี่ยคือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายเพรารู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปยึดไปติดไปอยากก็ทุกข์ไปเปล่าๆพอปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดก็หายทุกข์ตายอย่างสบายเจ็บอย่างสบาย แก่อย่างสบายเราก็ไม่สงสยัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไปทําพิธีเสะดาะข้อกรรมต่างๆเวลามีความทุกข์ใจก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าตอนนี้เราทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับคนนั้นคนนี้เพราะอะไรเพราะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไ้ยพอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็ทุกข์กันมา พอเราเปลี่ยนใจว่าอเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาพอเราปล่อยเขาปล่อยให้เขาเป็นไปเราก็หายทุกข์เช่นทุกข์กับลูกอยากจะให้ลูกดีแต่ลูกไม่มยอมไปโรงเรียนจะทําังไงมันหนีโรงเรียนส่งมันไปเรียนหนังสือมันก็หนีเรียนส่งไปกี่ครั้งก็หนีเรียนทุกครั้งจะทํำยังไงมันไม่เรียนก็ต้องปล่อยมันไป มันไม่เดือนก็เรื่องของมันนะเราทาหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วถ้าไปอยากให้มันเรียนก็จะทุกไปเรื่อยๆคนเรามันเป็นเหมือนผลไม้อย่างที่เคยสอนญาติโยมนคนเรามีดีชั่วต่างกนันเลยทำให้เราดีชั่วต่างกันไปบางคนก็เป็นเหมือนส้มบางคนก็เป็นเหมือนกล้วยบางคนก็เป็นเหมือนมะละกอบางคนก็เป็นเหมือนสับ ป, ประรด จะไปให้เอามรกรมาเป็นสัปปะรดได้ไหจะเอาส้มมาให้เป็นกล้วยได้ไคนนี้เขาเป็นแบบนี้จะให้เขาเป็นแบบอีกคนหนึ่งได้แต่ละคนก็มีบุญมีกรรมมาเป็นผู้สร้างบุญกรรมเป็นผู้สร้างสัตว์ให้เป็นอะไรแตกต่างกันไปให้สูงให้ต่าแตกต่างกันไปให้เป็นนายกให้เป็นรัฐมนตรีให้เป็นอธิบดีให้เป็นอะไร ทำไมอย่างั้นทุกคนไม่เป็นนายกกันเป็นหมดทำไมต้องแบ่งกันเป็นนู่นเป็นนี่บางคนเป็นขอทานบางคนเป็นมหาเศรษฐีบางคนเป็นอัจฉริยกรบางคนเป็นพระทำไมไม่เอามาจับให้มันเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเพราะมันเป็นไปไม่ได้อย่าใดเวลาเราอยากจะให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราแสดงว่าเรากำลังบ้าเรากาลังฟูหนวกตาบอด ไม่มองความจริงอยากจะให้ก็เป็นอย่างนั้นให้ได้เพราะไม่เป็นก็เครียดทุกข์ไปเป่าประโยชน์นี่คือปัญญาเราต้องเห็นว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครเหมือนกันทุกคนนี้มามามาจากเหตุที่ต่างกันผลจึงต่างกันถึงแม้ว่าจะมาเกิดในท้องแม่คนเดียวกัน แต่ที่มานี่มาจากกรรมที่ไม่เหมือนกันชาติก่อนเขามาจากที่ไหนเราไม่รู้พี่เราอาจจะมาจากสัตว์เดรัจฉานน้องเราอาจจะมาจากเทวดาพอมาเกิดนิ ส, สัยมันจะต่างกันคนพี่นี่จะนิ ส, สัยเหมือนหมาเลยส่วนคนน้องนี่จะเป็นนิ ส, สัยใจบุญใจกว้างเมตตากรลปนาเพราะว่าที่มาของใจมันมาไม่มันไม่ได้มาที่เดียวกัน แต่ที่มาของร่างกายนี้ยมันมาที่เดียวกันมันมาจากพ่อจากแม่คนเดียวกันแต่ส่วนที่สามที่มารวมที่ทำให้เกิดชีวิตขึ้นมานี่คือดวงวิญญาณ น, นี้มันมาจากคนละทิศกันคนละที่กันเราเป็นพี่น้องทางกายเท่านั้นอย่ทา ง, งใจนี้เราอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้อาจจะเป็นมิตรกันก็ได้ ชาติก่อนนี่เราไม่รู้ว่าเราเคยมีศัตรูมีมิตรกับใครมากน้อยเพียงไรพอชาตินี้เรามาเกิดเราอาจจะมาเจอศัตรูของเราก็ได้เกิดในครอบครัวเดียวกันนี่แหละเป็นพี่เป็นน้อง ก, กั น, นแต่จะฆ่าฟันกันได้แต่ถ้าเป็นมิตรกันก็จะรักกันจะช่วยเหลือกันจะดูแล ก, กันยนันอย่าไป อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยอยากไปก็เสียเวลาเปล่าๆทุกไปเปล่าๆถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราดีกว่าตัวเรานี่เราเปลี่ยนได้แต่คนอื่นนี่เราเปลี่ยนไม่ได้ถ้าตอนนี้เราอยากจะเป็นโสดาบานเราเปลี่ยนได้อยากจะเป็นอรหันต์เปลี่ยนได้อยากจะเป็นเทวดาเปลี่ยนได้ อยากจะเป็นพรหมเปลี่ยนได้โดยอยากจะเป็นเดรัจฉานก็เปลี่ยนได้อยู่ที่การกระทำของเราอยากเป็นเดรัจฉานก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทาอาชีพฆ่าสัตว์ด้วยเดี๋ยวตายไปก็ได้ไปเป็นเดรัจฉานแต่อยากเป็นเปรกก็ไปขโมยข้าวของไปช่อโกงไปลักทรัพย์ อยากจะได้มากๆอยากจะรวยมากๆไปคอร์รัปชันเลยเนี่ยไปเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเซ็นชื่อแก๊กเดียวก็มาแล้วห้าสิบล้านร้อยล้านนั่นแหละวิธีสร้างเปรต ถ, ถ้าอยากเป็นเปรกก็ไปทําอย่างนั้นรวยชาตินี้ใหญ่โตชาตินี้อิ่มมีพีมันชาตินี้แต่ชาติหน้าจะไปเป็นเปรตไปขอทาน เพราะไม่มีบุญติดตัวไปนี่คือเรื่องของกรรมที่ทำให้เราเป็นอะไรแตกต่างกันไปถ้าเราเข้าใจหลักกรรมแล้วเราจะไม่ไปยุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นเราทำได้ก็เพียงแต่สอนเขาบอกเขาถ้าเป็นลูกหลานเราก็สอนเขาให้ความสนับสนุนให้เขาไปในทางที่ดี ถ้าเขาไปก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาไม่ไปก็เป็นกรรมของเขาถ้าให้เงินไปโรงเรียนแล้วเอาไปเล่นเกมไปซื้อยาเสพติดนี่ก็อยา่าไปก็ให้ไม่ได้ให้ไปก็ส่งเสริมให้เขาทำลายชีวิตทำลายตัวเขาเองก็ช่วยไม่ได้ถ้าอยากจะไปทางนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงมีทางเดียวก็ต้องจับมัดไว้ตลอดเวลา เหมือนมัดหมาไว้ถ้ า, าถ้าหมาของเรามันดุมันชอบไปกัดคนนู้นคนนี้เราก็ต้องผูกมันไว้โบราณก็าถึงบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าเราอยากจะให้ลูกได้ดีก็ต้องตีมันบ้างเพ่อมันจะได้เข็ดหลับแล้วมันจะได้เปลี่ยนนิสัยได้ถ้าปล่อยเอาตามใจมันแล้วไม่มีวันที่มันจะเข็ดหลับ ทำอะไรผิดแล้วไม่ลงโทษมันก็มันก็จะคิดว่าไม่มีโทษตามมามันก็จะติดนิสัยจะทำไปเรื่อยๆการเลี้ยงลูกก็เหมือนก็ถ้าเราเลี้ยงไม่ดีก็แทนที่จะช่วยให้เขาดีกลับทำให้เขาเลวเขาขอเงินก็ให้เงินไปอยากได้อะไรก็ซื้อให้เขาโดยที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาซื้อมานี้เป็นคุณหรืเป็นโทษของเขา อยากให้ก็มีความสุขแ ล, แล้วต่อไปเขาก็จะพึ่งตัวเองไม่ได้อยากได้อะไรก็มาขอเราขอที่ไรก็ได้ทุกทีก็ <Yeah. S 1> เ, เลยไม่ต้องไปโควนขวายเรียนหนังสือให้เหนื่อยไม่ต้องไปทํางานมีพ่อมีแม่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาถ้าเลี้ยงลูกแบบนี้เลี้ยงไปจนวันตายมันก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ นี่กเรื่องของกรรการเลี้ยงลูกก็เป็นการสอนลูกให้ทํากรรมดีนั่นเองฉะนั้นขยันหมั่นเพียรฝ่รู้ฝ่ศึกษาเพราะว่าการเรียนนี้จะทําให้มีวิชาความรู้ความฉลาดถ้าบวชเรนได้ยิ่งดีถ้าลูกส่งให้ลูกบวชเรนบวชพระได้ยิ่งดีเพระจะได้เรียนรู้วิชาที่สูงสุดความรู้ที่สูงสุด ความรู้ทางโลกนี้ยังเป็นความรู้ที่ไม่ ไ, มได้อยู่ในระดับที่สูงสุดความรู้ที่อยู่ระดับที่สูงสุดก็คือธรรมผู้ใดมีความรู้ทางธรรมแล้วจะอยู่เหนือโลกโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ความรู้ทางโลกนี้ยังทำให้ไม่สามารถอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดได้ คนที่เรียนจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกมานี่ยังก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ต่อไปแต่คนที่จบปริญญาทางพระพุทธศาสนาปริญญาเอกคือพระอาหารหันต์นี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปความรู้ทางธรรมหรือก ว, กว่าความรู้ทางโลกคนที่มีความรู้ทางธรรมนี้ถึงแม้ไม่มีความรู้ทางโลกก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่คนที่มีความรู้ทางโลกแต่ไม่มีความรู้ทางธรรมนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์จะไม่รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดมีนิทานอยู่เรื่องคนฉลาดทางโลกจะไปทดสอบวิชาความฉลาดของคนทางธรรมเป็นพวกวิศวกร ได้ข่าวว่ามีพระหลวงตาอยู่รูปท่านมีความรู้ทางธรรมสูงก็เลยอยากจะไปทดสอบความรู้ก็ไปกราบถามท่านว่าหลวงตาเครื่องบินนี่มันบินได้ยังไงหลวงปอหลวงตาบอกจิตว่เว้ยจิตทำให้มันบินถ้าไม่มีจิตมันบินไม่ได้หรอกคนขับถ้าไม่มีจิตมันก็ขับเครื่องบินไม่ได้ เครื่องบินมันจะบินได้ก็ต้องมีคนขับถ้าคนขับไม่มีจิตก็เหมือนกับคนตายคนตายก็ขับเครื่องบินไม่ได้ถึงต้องมีจิตเนี่ยตอบข้อแรเนี่หลายหลังเลยนี่แหละความรู้ทางธรรมมันเหนือกว่าความรู้ทางโลกวิศวกรจะคิดว่าเครื่องบินบินได้เพราะมีเครื่องยนต์มีใบพัดมีไอพ่นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือความรู้ทางโลก แต่ความรู้ทางธรรมนี่มันเหนือกว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตตัวเดียวนี่โลกทั้งโลกนี้เกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราผลิตขึ้นมานี่ผลิตด้วยจิตทั้งนั้นะเนี่ยไอ้กล้องถ่ายรูปที่เรากาลังถ่ายเนี่ยใครเป็นผู้ผลิตถ้าไม่ใช่จิตใครเป็นผู้คิดคู่คน้นวิธีการสร้างสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ขึ้นมาก็จิตของเราเนี่แหละจิตของพวกเรานี่แหละ พองค์จ้าจึงบอกว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับจิตแะจิตนี้ก็เป็นจิตที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับโลกได้อย่างมหาศาลและสามารถสร้างโทษให้แก่โลกได้อย่างมหาศาลสงครามโลกนี้เกิดขึ้นเพราะใครก็เพราะจิตนี่นแล้วก็ ยารักษาโลกภัยใค้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาได้นี่เกิดจากภายัยก็เกิดจากจิตนอยู่ที่ว่าจิตนี้มันจะคิดไปในทางไหนถ้ามันคิดไปในทางดีมันก็สร้างประโยชน์ให้กับโลกถ้ามันคิดไปในทางชั่วมันก็สร้างโทษให้กับโลกพวกที่อยากเป็นใหญ่เนี่ยเป็นตัวสร้างให้เกิดสงครามกันพวกที่ คิดจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษยด้วยกันนี่แหละเป็นพวกที่ทำให้โลกอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพวกที่เห็นแก่ตัวนี่เป็นตัวทำลายโลกพวกที่เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนี่เห็นประโยชน์แก่ผู้นี่เป็นผู้ที่ทำให้โลกอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขดูพระพุทธเจ้าท่านคิดที่จะทำสงครามกับใครหรือเปล่าท่านมีแต่จะให้ธรรมะให้คาสั่งสอนให้โลกอยู่กันอย่างสันติสุข ให้โลกพบกับความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรแต่คนงโง่นี่มันจะคิดว่าการจะมีความสุขได้ต้องมีสมบัติเยอะๆมีข้าวของเยอะๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยไปทำสงครามกันฆ่ากันฆ่าาฟันกันเพื่อที่จะได้สมบัติมาท้านนั้นเองไม่ได้ ที่ทำสงครามกันนี้มันทำเพื่ออะไรก็แย่งสมบัติกันแย่งทรัพยากรต่างๆตอนนี้แย่งน้ํามันกันใช่ที่ไหนมีน้ํามันด้ยที่นั่นน่มันสู้กันมันฆ่ากันฟันกันที่ไหนมีทรัพยากรที่นั่นมันก็จะแย่งกันแต่มันไม่รู้ว่ามนุษย์เราสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีทรัพยากรก็ได้อยู่กับธรรมชาติ อยู่กับความสงบถ้าใจมีความสงบแล้วไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมีข้าวกินวันละเมื่อก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีเตกรามบ้านช่องไม่ต้องมีถนนหนทางไม่ต้องมีไฟฟ้ามีไฟฟ้าก็ต้องมีน้ํามันมีรถยนต์ก็ต้องมีน้ํามันแต่ถ้ามีความสงบแล้วไม่ต้องไปไหนไม่ต้องมีบ้านอยู่ คนไม้ก็ได้เอาใบม้งใบไม้มามุงมาบางทําเป็นหลังคากันแดดกันฝนได้นี่คือเรื่องของจิตจิตที่ฉลาดกับจิตที่งงจิตที่งงก็คือว่าต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองเยอะๆมีตึกรามบ้านชอ่องไปไหนมาไหนสะดวกทําอะไรสะดวกแต่ของพวกนี้มันเป็นทรัพยากรที่ จะน้อยลงไปจะน้อยลงไปที่จะต้องเกิดการแก่งแย่งชิงดีกันเดี๋ยวก็ต้องมีสงครามอีกเพราะทรัพยากรมันไม่พอใช้คนเกิดมากขึ้นมาเรื่อยๆต้องใช้น้ำมันมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องไปทำสงครามกันอีกฆ่ากันอีกแต่ถ้าทุกคนรู้จักวิธีหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบเลยไม่ต้องมีทรัพยากร น้ำมันไม่ต้องใช้ใช้ดินน้ำลมไฟนี่ก็พอฝนตกลงมามีต้นงงต้นไม้ออกผล ล, ผลละงผลลไม้ปลูกคงปลูกข้างกินกันไปตามภาษาตามมีตามเกิดกินดีไงมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันกินไม่ดีมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ใจของคนที่มีความสงบนี่จะสบายไม่เดือดร้อน คนที่ไม่มีความสงบมีแต่ความโลภความอยากก็จะวุ่นวายไปจะทุกข์ไปตลอดเวลาจิตของพระพุทธเจ้าท่านเป็นจิตดีท่านเห็นวิธีการอยู่อย่างมีความสุขอยู่กันแบบไม่เบียดเบียนกันจิตที่ไม่ดีก็คิดว่าวิธีอยู่กันต้องมีมากๆทุกคนต้องมีสมบัติมากๆถึงจะมีความสุขกัน แต่ไม่มองผลกระทบที่ตามมาถ้าทุกคนต้องมีมากๆจะทำางกับของที่มันมีน้อยๆมันก็ต้องแย่งกันพอแย่งกันเดี๋ยวมันก็ต้องข้ากันนี่คือเรื่องของจิตนะจิตดีไม่ดีนี่อยู่ที่ธรรมะถ้ามีธรรมก็จิตก็จะดี ธรรมก็คือความจริงเนี่ยถ้ามีถาม้ถ า, ถารู้ความจริงว่าความสุขใจอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การนั่งสมาธิอยู่ที่การรักษาศีลแปดนี่คือธรรมนี่คือความรู้ที่จะทําให้เรามีความสุขกันถ้าไม่มีธรรมก็ไปคิดว่าคนจะมีความสุขต้องมีเงินเยอะๆต้องมีตาแหน่งใหญ่ๆโตโต ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไปฆ่าฟันกันไปแก่งแย่งชิงดีกันไปห้ามหันกันไปเป็นศัตรูกันแต่ถ้าคิดแบบคนฉลาดก็จะคิดว่าไม่เบียดเบียนกันดีกว่าไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมกูกรินกายดีกว่าไม่กินมากเกินไปกินมื้อเดียวก็พอกินเพื่ออยู่ ความสุขไม่ได้อยู่ที่การกินความสุขอยู่ที่การทําใจให้สงบเอาเวลาที่ไปใช้กับการกินมาทาใจให้สงบดีกว่ามานั่งสมาธิดีกว่าเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าเอาเวลาไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่คือธรรมคนที่เห็นธรรมจะเห็นอย่างนี้คนนี้คนที่เห็นธรรมเป็นคนฉลาด ก็จะทำให้ตนเองอยู่อย่างสันติสุขอยู่อย่างไม่มีปัญหากับใครคนที่ถือศีลแปดนี้ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปแย่งสามีภรรยาของใครอยู่คนเดียวได้เป็นโสดได้อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องมีแหล่งบันเทิงนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปใจก็สงบลนะสงบแล้วก็เย็นสบายมีความสุข นี่แะคือจิตจิตจะดีจะไม่ดีก็อยู่ที่มีธรรมหรือไม่มีธรรมถ้าไม่มีธรรมก็ต้องเข้าหาคนที่มีธรรมนานๆนนจะมีคนที่มีธรรมโผล่มาสักครั้งหนึ่งคือพระพุทธเจ้านี่แหลรทรทั้งหมดที่พวกเราเรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้มาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้ว่าความสุขนี้อยู่ที่ความสงบ พวเราก็จะไปหลงกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปไปหามาได้นี้มันเป็นของชั่วคราวมันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปมีมาแล้วก็ต้องมีไปเวลามาก็ดีใจเวลาไปก็เสียใจ เพราะเราไม่มีธรรมเราคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียง ก, ล, กลิ่นรสผลพระจนกาจะมีคนจลาดที่จะเห็นตรงกันข้ามคือพระพุทธเจ้าเห็นว่าเฮ้ยความสุขมไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญสุขนะเพราะมีแล้วไม่เห็นมันสุขเลยมีแล้วกลับมีความทุกข์มีลาบก็ห่วงเป็นห่วงกลัวว่าจะหมดลาบมียศก็เป็นห่วงกลัวจะหมดยศ เวลาหมดก็เสียใจแล้วมันเป็นความสุขได้อย่างไรท่านก็นเลยไปหาความสุขแบบใหม่หาความสุขจากการถือศีลศีลบวชไม่หาความสุขทางร่างกายไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลึ้งกายมาหาความสุขทางใจทำใจให้สงบพอใจสงบใจก็เกิดความสุขขึ้นมา พอเกิดความอยากก็ตัดความอยากไปเพราะความอยากจะทำให้ใจไม่สงบนี่คือทำความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบด้วยพระองค์เองเราต้องอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าจึงทำให้พวกเราฉลาดขึ้นมาได้ทำให้พวกเรามาทำจิตของเราให้มีความสุขได้เนชาตินี้พบนี้พวกเราถือว่ามีบุญมีวาสนา มีโชคที่ได้มาเจอธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีตําแหน่งไม่ต้องมีคนมายกย่องสรรเสริญให้ลังวี่รางวาลอะไรต่างๆไม่ต้องมีลูกเสียงกลิ่นรให้เสกเรามีความสงบมีพุทโธมีสติ มีสติแล้วเราก็จะมีความสงบมีปัญญาเราก็จะทำลายความอยากที่มาทำลายความสงบของเราต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบใจของเราก็จะสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากธรรมของของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราต้องมา ศึกษาทำกันศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติได้เราก็จะได้บรรลุธรรมบรรลุชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้ากรรมแบบนี้สําเร็จได้บรรลุได้ในชาตินี้เลยไม่เหมือนกับรอไปเป็นเทวดาลอยไรอไปเป็นมหาเศรษฐีต้องรอกลับมาเกิดชาติหน้าถึงจะได้เป็น แต่ถ้าอยากจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระโสดาบันนี้เป็นได้ในชาตินี้เลยนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเวลาเกิดความอยากก็ตัดมันให้หมดอย่าไปทำตามความอยากมองโทษก็พอมองให้เห็นโทษของความอยากพอทำตามความอยากเราจะมีความทุกข์ตามมาไม่ใช่มีความสุขตามมาทำแค่นี้ก็บรรลุได้แล้วไม่ยากเย็นตรงไหนเลย ที่อยากจะทําหรือไม่อยากจะทำเท่านั้นเองยังก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ตอนนี้ศพของแม่แก้ว ทำเรียบร้อยแล้วเรอเรียบร้อยตได้สักองเดือนแล้วมั้งเออเผาไปแนละ้วสอวันเขาสั่ง้สงวัน เ, าเผาเลยกลายเป็นขี้เถ้าปั๊บเลยนะเอ อ, เ อ, อนี่แหละร่างกายเนี่ยปุ๊บปั๊บกลายเป็นขี้เท่าทันที เ, ทเวลามันจะเป็นมันเป็นทันทีก็ให้รู้ไลนะ้ว่าทุกร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ว่าของใครเท่านั้นเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นขี้เท่าเ ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรับใช้เราโตแม่แก้วเขาก็ไปใหม่ละเขาก็ไปสวรรค์ละทําบุญมาตลอดเขาก็ไปรับผลของบุญที่เขาทานะแล้วจะไปชมนี่ต้องมีสมาธิด้วย<ม>ต้องจิตต้องสงบต้องเข้าสมาธิได้ถ้ายังเข้าสมาธิไม่ได้ก็ยังยังอยูอย่ชั้นเทพอยูอย่ เดี๋ยวกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีใหม่ทำบุนเยอะเรื่อเดี๋ยวกลับมาก็กลับมาเป็นเศรษฐีใหม่ทำไอ้ทองทำให้นวงตาเยอะแยะไม่ใช่เลยก็เป็นกิโลอ่าเป็นกิโลกลับมาก็ได้เป็นร้อยกิโลก็เป็นดินอ่าทองมันก็เป็นดินแต่เป็นดินแต่มันต้องใช้ไงเอามาใช้ได้เป็นดินนี่ก็อยากได้ไม่ใช่ าแล้วพ่อเขาเปีนี้พ่อเขาแบบออนอนปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปเดี๋ยวไปทำอะไรทำได้ก็ทำไปาต้องการถวายอะไรก็เชิญเข้ามาวิธีถวายก็คือเอาไปตั้งไว้ตรงนู้นเลยที่นี่ถวายแบบเอาไปวางไว้เลยเาถาทงทางหวบุญได้บุญหมุนกันเอาไปทางนู้นรืนกัน เดี๋ยวเอาไปไว้ทางนู้นเลยเ อ, เอามาตรงนี้เดี๋ยวก็เอาไปไว้ทางนู้นต่อนาิจารณ้เขาขการทำใจเป็อเบก่าตลอดเวลาที่นะี้ไปพุพโทโธ่จิตสงบแล้วต่อไปมันก็เป็นอุเบกขาถ้ามันหยุดคิดมันก็เป็นอเบกขาถ้ามันคิดมันก็ไม่เป็นพุโทโธเดี๋ยวมันก็ชิดไปขึ้นมาหรือว่าก็พุโทโธไป เ, เ, เรื่อยๆจังหวมันจะหยุดคิดแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมา มั ต, career, มต้องรวมมันก่อนต้องตอกอุ้มันเข้าไปในหลุมของโอเบกค้าถ้ามันยังอยู่นอกหลุมมันยังไม่เป็นโอเบค้าอยู่ต้องให้มันลงไปในหลุมเหมือนลูกกอล์ฟเนา้องตีมันไปจังกามันจะลงหลุมพอลงลงหลุมแล้วมันก็จะไม่มันไม่กิงแล้วใช่ไหมมันนิ่งเลยใช่ไหมอันอยู่นอกหลุมมันยังถูกตีไปตีมาอยู่ถูกลูกเสียงกิ่นรถตีไปตีมาอยู่มันก็กิ่งไปกิ่งมา แต่พอมันเข้าไปในหลุมปับ๊บมันก็ไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกิ่นล้นมันก็นิ่งพอมันนิ่งแล้วพอออกมามันก็เฉยๆกับรูปเสียงกิ่นล้นได้แต่ตอนนี้ยังเฉยไม่ได้เห็นปุ๊บ ก, ก็กิ้งไปหามันทันทีเห็นขนมปุ๊บ ก, ก็กิ้งไปเห็นกาแฟปุ๊บ ก, ก็กิ้งเอาไปหามันพอได้ยินเสียงด่า ก, ก็กิ้งถอยออกมากิ้งไป ถ้าได้ยินเสียงด่นี่ยเควรวังใจไงถ้าไม่มีโอเปก้ามันก็ไม่วางมันก็วางใจไม่ได้เลยถ้าไม่มีโอเบก้ามันก็เฉยนะั่นกเหมือนฟังเสียงนกเสียงกาไปเสียงนกเสียงกาเราไ ม, ไ, มไม่เห็นเราเดือดร้อนตรงไหนใช่ไหมแต่เราโดนเสียงคนพูดด่าหน่อยทำไมเดือดร้อนมันก็เสียงเหมือนกันไม่ใช่เพราะเราไม่มีโอเบก้าไงถ้าไม่มีโอเบก้าก็เฉย มีใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยอยากจะ say hello กับเพื่อนที่ต่างประเทศก็ได้นะและก็กำลังติดตามสดอยู่มีใครอยากจะถามอะไรัหมมันเป็นของคือเพื่อนเนี่ยนะคะ เขาก็เหมือนก็อย <ens acab> <oon> ู่กับสามีแต่ว่าเขาก็เหมือนเริกกันเลยคือตินใหนแล้วเขาไปมีแฟนใหม่อได้เนาะได้ถ้าเทียวว่าเลิกกันแล้วคือไม่มีความรู้สึกต่อกันแล้วไม่กอดเกียดกันแล้วแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ก็ดูแลกันแต่ว่าก็เหมือนอยู่หอพักกันเดียวกันแต่เวลาไปเที่ยวไปเที่ยวกับคนอื่นนี่ ถ้าเข้าใจกันไม่โกรธไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ไม่เป็นปัญหาถ้ายังถือว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่ก็ถือว่ า, าผิดสัญญาเพราะสามีภรรยานี้เขาสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันจะรักเดียวใจเดียวแถ้าตามไม่ถือว่าเป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วก็ถือว่าไม่มีพันธะต่อกันแล้ว แต่ถ้าจะไปมีแบบซ้ําสอนก็เป็นมันก็จะเป็นโดรัฉานไปเป็นเหมือนหมาหมามันไม่มีคู่ครองที่คู่เดียวมันเจอตัวไหนใกล้มันมันก็เอาก่อนแล้วมันก็ก็เถือว่าไม่ไดเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เขารู้ว่าการเสพกลางนี่มันไม่ดีแต่มันยังยังเลิกไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้มันอยู่ในกรอบที่มัน ควบคุมไว้คือให้มีแค่คู่หัวเดียวเมียเดียวไม่ใช่มีแบบปล่อยให้มันไปตามความอยากพอมีมากเนี๋ยปัญหามันก็มีมากตามมาการที่จะสุขมากกับจะทุกมากก็ถ้าอยากจะมีความสุขก็อย่าไปมีเลยดีกว่าอยู่คนเดียวได้สบายกว่า ถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็อยู่สองคนอย่าไปอยู่สามสี่คนเดี๋ยวอยู่สามสี่ 3, คนเดีย๋ยว ก, ก็ทะเลาะ ก, กันอีกตีกันอีกพระอาจารย์นะคะเรียนนะคะคือมีจิตตั้งมั่นที่อยากจะนั่งสมาธิมากแต่ว่าไม่ได้นานเลยนะคะก็สติเราไม่มีกำลังมากเราต้องฝึกสติให้มากๆ<ม>ก่อนที่เราจะมานั่งนี่เราต้องพุทธโธพุโทโธไปเรื่อย<ม>ๆเดินมาก็พุทธโธไปเลย อ, อย่าปล่อยให้ใจคิด เรื่อยเปื่อยปล่อยให้ใจไปอดีตไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุทโธ ท, ทำงานอาอบน้ำอาบทาแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าทำงานต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธแล้วให้มีสติอยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราทำางนี้เวลานั่งสมาธิจะ มีสติจะนั่งได้นานจะสงบได้เร็วหมายถึงว่าต้องทําทุกอย่างให้ช้าลงหรือเปล่าคะไม่ก็ทําเป็นปกติเพียงแต่ว่าควบคุมความคิดอย่าใมันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่ช้าอยู่ที่เร็วมันอยู่ที่ว่าคิดหรือไม่คิดถ้ามีพุโทโธมันก็คิดไม่ได้ถ้าไม่มีพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ตอนที่ก็สอนบอกให้เดินช้าๆนี่เหมือนเขา ก็สอนผิดน่ยจิตมันเร็วจะตายไปมันไม่ต้องมาเดินช้าๆหรอกทำอะไรตามปกติทุกอย่างเห็นแต่ว่าใช้พุทธโธควบคุมความคิดอย่าให้มันไปคิดบาทีตัวอยู่ตรงนี้แต่คิดอยู่ไปไปคิดเรื่องอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่สงขานุนแสดงว่าไม่ควบคุมความคิดถ้าควบคุมความคิดต้องอยู่กับปัจจุบันกําลังทํางานอะไรอยู่ก็อยู่กับงานที่เรากําลังทํายู่ ไม่ให้สนใจไปอดีตไม่ให้สนใจไปอนาคตไม่ให้สนใจไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่ที่นี่ถ้าไม่อยู่ก็ใช้พุโทโธหนึ่งันไว้พุโทโธพุโทโธไปคนที่มีสติเขาไม่ต้องใช้พุโทโธเขาเพียงจ่บังคับให้มันอยู่ในปัจจุบันมันก็อยู่ไม่ให้มันได้คิดถึงอดีตไม่ให้คิดถึงอนาคตแต่นั่งสมาธิกาหนดแป๊เดียวมันก็สงบ ถานั่เรายังคิดนู่นคิดนี่อยู่มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้เดี๋ยวนั่งได้ไปสักพักก็เหนื่อยแนละวทนไม่ไหวเพราะ ม, มันมีความอยากมากกว่าความคิดพอคิดแล้วมันก็อยากจะลุกไปทํานู่ทนทํานี่มันก็ไม่อยากจะนั่งเฉยๆแต่ถ้าไม่คิดอะไรได้มันก็จะนิ่งมันก็จะมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายมันก็จะนั่งเฉยๆได้เหตุนี้ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆ วิธีสร้างสติก็ใช้พุทโธเนี่ยเราเลกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปลืมตาขึ้นมาก็พุทโธเลยลองทำดูสิแาวเวลานั่งสมาธินี้จะมีสติมากจะนั่งสงบได้เร็วเห็นยากตรงไหนเลยท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาร้องเพลงในใจเรายังร้องได้เย มันเราจะพูดโธในใจไม่ได้มันก็ใช้ความคิดเหมือนกันพุโทโธก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งพอเราใช้ความคิดให้อยู่กับพุโทโธความคิดอย่างอื่นก็ไปก็ปะมาไม่ได้คิดไม่ได้ต้องคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียววิธีหยุดความคิดไปในทางเรื่องอื่นให้มันคิดด้วยพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะว่างจะเย็นจะสงบได้ ยังต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้มากๆถ้ามีสติแล้วนั่งห้านาทีสิบนาทีก็สงบแล้วก็นั่งได้เป็นชั่วโมงระกับเรียนฐานนะคะถ้าสมมติว่าร่างกายสังขารไม่ให้แต่ว่านั่งสมาธิจนเป็นว่าจะต้องนั่งขัดสมัดไหมคะไม่ถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งท่าไหนก็ได้ท้านั่งนี้มันเป็นเพียงแต่จะสนับสนุนให้นั่งได้นานหมือไม่นาน ถ้านั clinic, ín, on, ่งท่าข <you> ัดสมาธิน <delightful. S 2> <camp> cool ี cabin, um Hall, ่ม okay, hmm. so ันน the ั่งได้เป็นชั่วโมงถ้านั่งท่าอื่นนี่เดี๋ยวมันมันจะเอ็นไปเอ็นมาแต่ถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งท่านั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งห้อยเท้าก็ได้แต่มันจะนั่งไม่ได้นานแต่ต้นเริ่มต้นก็อาจจะนั่งอย่างนี้ไปก่อนพอมีสติดีอาจจะนั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งอยากจะนั่งนานๆนั่งเป็นชั่วโมงนั่งท่าขัดสมาธิมันจะสบายกว่า ข้อสำคัญมันไม่ดีอยู่ที่ท่านั่งอยู่ที่สติถ้านั่งขาสบะไม่มีสติมันก็นั่งไม่ได้อยู่ดีนั่งเดียวเดียวมันก็ฟุ้งไปอยู่ดีถ้ามีสตินั่งห้อยเท้ามันก็สงบได้ดยอยากเรียนถ <c oughs> ันรู้สึกสับสนเกี่ยวกับว่าผู้ประเด็ปฏิบัติกรรมฐานช่วฮะถ้าเผื่อว่าได้ยินมาว่าถ้าเผื่อว่าเวลาที่จะดักขันเนี่ย ลงสุดท้ายเรามายจะสุดท้ายเนี่ยพยายามให้กําหนดนึ ก, ใ น, ใ, กในสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะจิตก็จะไปจุดติดในสิ่งที่ดีใช่ไหมถ้าเกิดว่าโกรธแค้นใครหรืออะไรไม่ดีเนี่ยจิตก็ไปจุดติดในภพในชาติออแต่ผมก็สับสนว่าแล้วทําไมบางทีที่มีสอนกันว่าเมื่อจิตดักเนี่ยก็ต้องไปตกนรกไป ใช่เติมได้รับบุญสมบรณ์ทั้ <c oughs> พระอมค์ใช่ไแล้วบางคนบอกว่าเมื่อจิตดักปุ๊บเนี่ยให้ท่านนึกตีปุ๊บจิตก็ไปจุดติในพะภูมิที่ดีเลยคือและจิตมีกี่ดวงนะเกณฑ์ดวงเดียวนะดเดยวนี่ยมันจะนึกไปในทางไหนคิดนึกไปทางสวรรค์หรือนึกไปทางน้ำลกอัแ่แหละครับอแล้วท่านผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ควรที่จะ กังวลแต่ว่าจิตจะดับตอนไหนตอนไหนก็ให้กําหนดจิตไปในทางที่ดีเรื่อยๆก็คุณต้องการไปทางไหนคุณก็กําหนดไปทางนั้นคุณต้องการไปทางที่ดีคุณก็ต้องกําหนดจิตให้ให้สงบถ้าคุณกําหนดจิตมไม่ได้ให้สงบไม่ได้มันก็ไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้า น, นระหว่างที่ยังไม่ดับขนันดับดับชีวิตเนี่ยเราก็พยายามให้ถึงซึ่งถ้ามีบุญมากพอให้ถึงซึ่งอย่าง สูขึ้นไปเป็นโซดาเป็นอะไรอย่แต่ถ้าไม่ถึงก็ให้ให้กำหนดยังไงนะฮะเพราะปฏิบัติไปไงปปการเจริญ<ม>สต<ถ>ิไปเรื่อยๆทำทานรักษาศียภาวนาไปแล้วจิตมันก็จะคิดดีออแล้วเวลาตายมันก็จะคิดดีแต่ถ้าขณะมีชีวิตอยู่มีแต่ไปรักทรัพย์เข้าไปแตป่มีแต่ประพฤติผิดกเวนีมีแต่กินเหล้าเมายา เวลาตายมันจะมานั่งคิดทำบุญทำทานรักษาศีลยังไงอะแล้วเมื่อดักกันกเนี่ยจิตไปจุดตีพบแล้วจิตดวงไหนที่จะไปตกนรกจิตดวงไหนก็ดวงเดียวนี่แหละจะดวงไหนมันก็มีอยู่ดวงเดียวก็ใจดวงนี่แหละเป็นดวงเดียวนั้ น, น, นจะมีกี่ดวงอะแล้วเราไม่ต้องไปเกิดใหม่ไปภูใหม่ไหมมันมันรู้สึกก็ดวงนี้ไงก็ดวงนี้ที่ที่ไปได้ร่างกายใหม่โดยร่างไปหม่แล้วจิตที่ไป ตกลงกนะก็ดวงนี้มันต้องไปถ้ามันมีบาปมันก็ไปใช้กรรมในแนวโลกก่อนเอาเมื่อใช้เสร็จก็ค่อยมาจุดจิตอีกอ่าอ่าออาเไม่ใช่ว่าตายปุ๊บแล้วก็ไปจุดจิตเลยก็ไปเลยนะมันบุญหรือบาปก็ส่งไปเลยก็เหมืนคนขับรถเนี่ยพอคนขับรถชนคนตายปั๊บตำรวจก็จับคนขับไปถางคุกเลยแต่คนขับรถไปเอาข้าวของไปแจกจ่ายคนยากคนจน เดี๋ยวเขาก็มาต้อนรับคุณพาคุณไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเนยร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้ที่สพาจิตไปทําอะไรต่างๆร่างกายไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับโทษร่างกายตายไปก็ถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นขี้เท่าไปผู้ที่ไปรับคุณรับโทษก็เกิดใจไม่จิตเนี่ยยิ่งคนที่มาหมวงว่า ถ้าเวลาสุดท้ายเวลาจิตตายแล้วคิดดีก็จะไปดีเนี่ยมันจะมาคิดดีได้ไงถ้ามันไม่คิดดีถ้าก่อนตายก่อนที่ไม่เคยคิดดีแล้วเวลามันตายมันจะคิดดีได้ไถ้ามันจะคิดแต่ขโมยเงินเขาคิดแต่จะไปมีชู้กับเขาแล้วพอตอนตายมาคิดว่าเราเป็นพระมันคิดได้บ้าคิดไม่ได้หรอกอย่างงี้ก็สบายทาบาปให้มันพอ พอใกล้าตายกูก็เปลี่ยนสวิตเลยสวิตเป็นพระเลยบวชแค่หนึ่งนาทีก็พอฮะบวชนาทีนึงก็ไปสวรรค์ได้ละไปนิพพานได้ละอันเป็นได้ก็ดีอย่างเง้ก็ไม่ต้องมานั่งคุยฟังธรรมะไม่ต้องมานั่งสมาธิกันไม่ต้องมาฆ่ากิเลสกันให้เสียเวลาเ <c oughs> ที่ยวเล่นกำมันให้พอพอรู้ว่าเวลาใกล้าตายหนึ่งนาทีก็ขอบวชเลย พุทธังธรรมังสังฆังสระนังกระฉามิเลยก็นับจากส่วนใหญ่ในเวลาที่มีชีวิตอยู่วิ่ทําอะไรมากกว่กันใช่ไหมฮะมันเป็นนิสัยคนคนทำอะไรมันเป็นนิสัยไม่ใช่คนปุ๊บจะคนจะเปลี่ยนปั๊บเคยคุณเคยกินเหล้ามาวันนี้ไม่กินได้ไหมอ๋าทำดีมากๆเนี่ยมันก็จะบันทึกอยู่ในจิตเองว่าจิตเราจใช่ไหมฮะทำดีมากๆจิตมันก็จะสะสมความชั่วมันมีทั้งสองอย่างไง ดีก็ทำชั่วก็ทำใช่ไหมเวลาตายไปดีกับชั่วมันก็จะม า, า, าะหักล้างกันใครมีกําลังมากกว่าก็ตัวนั้นก็จะออกผลมา อ, อย่างเทวธาตุนี่บวชมาตั้งยี่สิกว่าปีออกแบบคิดฆ่าพระพุทธเจ้าตายไปนี่ไปนรกก่อนอ๋อส่วนบุญก็ต้องไปก็เสวยได้พอจากนรกกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอ แต่ทาอะไรมากกับกันในระหว่างที่มีชีวิตใช่ไหมอ่าอันไหนมันมีแรงมากก็อาจจะมันอยู่ที่แรงอาจจะท <ำ S 2> ําแค่แป๊บเดียวแต่กําลังมันมากกว่าฆ่าพระพุทธเจ้านี่มันเป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปที่หนักที่สุด<ม>ขนาดบวัมายี่สิบกว่าปีบุญยังยังล้างบาปตัวนี้ไม่อยู่ซึ่งก็ตรงที่พระกุญเจ้าบอกว่าระหว่างมีชีวิตอยู่พยายาม กำหนดจิตฝึกจิตวิธีในทางพ ท, ท ไ, ปไปทางอย่าองคุลีมานี่ก้าวฆ่าคนมาตั้งก้าร้อยฆ่าสก้าคนก็เป็นอหรหันต์ได้ เ, เพราะว่าตอนเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระเจา้จ า, จาสอนบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือให้ตัดกิเลสพอตัดกิเลสหมดก็เป็นพระอรหันต์ได้ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมกรรมที่ไปฆ่าคนถึงก้าร้อยฆ่าสิก้าวนี้มันตามไม่ทันนะ ส่วนบุญที่สะสมไว้ในอดีตชาติก็จะมี ผ, ผลตอบจะตามไม่ทันไม่มีมันเข้าไปนิพพานไม่ได้ตามตามเข้าไปนิพพานไม่ได้เพราะนิพพานไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการรับผลบุญอนี้ยาผลบาปอีกนิดหนึ่งว่าได้ยินมาว่าผู้ิัติปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงไหมครที่ว่าถ้าถึงขั้นระดับสูงมากๆเนี่ย ไม่สามารถใช้ชีวิตในเพศคาราวาได้ต้องบวชทันทีภายในเจวันไม่งั้นก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบวชทันทีมันเบื่อเพศคาราวาเขาก็จะเบื่อไงจเจ็อลําคาญอยู่กับคนยิ่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่กง่่ง่่ง่่งอ่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่งั่หาความอยากของ่นง่่ง่่ง่่ง่จงก่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่ง่่่ มันประชาบุตเนี่ยไม่มีในหนังสือไม่มีไม่มีคุณไปเอาหนังสือที่ไหนมาเอามาให้เราดูเลยเอาที่ฟังมาอาฟังมาทั้งนั้นเ่ะไม่มีหรอกไม่ใช่หรอกจิตจะปล่อยวางเองแล้วก็ไม่อยากมีเหี่ยงว่าอ่าเอราะฉนันคุณเบื่อมีคุณก็ไม่อยากจะอยู่ก็เมียแล้วอยากจะอย่าร้างกันแต่บางบางบางบางตำราก็บอกว่าอายเป็นเพราว่าผลบุญไง หนักหนักเกินกว่าที่เพศัารวาจะลอมรับได้แปลว่มันก็เข็นไปตามคนหูหนวงตาบอดเข็น <c oughs> าตาบอดคําช้างเคยได้ยินไหมอ๋อช้างบางคนก็บอกว่าช้างาาเป็นอย่างนี้นะหางเป็นอย่างนั่นแหละพวกตาบอดทั้งนั้นนะอ่ะเขียนไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองอไปจับช้างที่หางก็ว่าเป็นเชือกไปจับช้างที่งวงก็ว่าเป็นงู น, นี้อ่านธรรมะฟังธรรมะว่าพอคนนี้บรรลุธรรมเป็นฆราวาสตายโอ้ต่อไปนี้ใครเป็นฆราวาสบรรลุธรรมนี้ตายเพราะคนนั้นกําลังจะไปบวชแล้วพอดีอไปเตรียมบริคารถูกกระเทงขิดตายก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ได้บวชแล้วต้องตายศาสนา ก, ก็ต่างๆก็เลยไปไปสรุปว่าถ้าเป็นคาราวาสแล้วต้องตายถ้าไม่ได้บวชก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันนะ เรื่องตายก็เรื่องตายเรื่องบวชก็เรื่องบวชไม่เกี่ยวกันคือคือผู้นั้นก็จะจิตก็จะวางเองแล้วก็ไม่อยากอยู่ในเพศกลว่าเองอเขาเขาวางหมดแล้ว อ, อ, อลูกเรากินเสียงคนที่เคยไปกินบะกินเหล้าพอมันเบื่อเหล้ามันจะกลับไปกินเหล้าเีหยคนที่เบื่อการพ น, นันมันจะกลับเข้าไปบ่อนนะมอ๋อไม่ได้เกี่ยวว่าอันนี้สมในการอะไรก็ อ, อันนี้สมก็คือทาให้มันเบื่อทุกอย่างที่เราชอบกันเนี่ยคนที่ครับ คนที่เขาบรรลแล้วเขาเบื่อเขาเห็นว่าไร้สาระเสียเวลาเป็นความทุกข์มีเมียกำลั่มีเมียไหนทุกข์กว่ากันทุกข์กหมือนคนที่ไม่มีกิเลสเขาไม่ทุกข์หรอกเาอยู่คนเดียวแต่คนมีกิเลสอยู่คนเดียวก็ทุกข์อยู่กับเมียอยู่กับผัวก็ทุกข์เพราะมันมีความไม่พอไง ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้บ่อยๆก็เบื่อใช่หไหมเหมือนกินอาหารจานโปรดนี่ลองกินซ้ำๆสักสิกสบวันดูมันเบื่อแล้ว <c oughs> อพออยู่กับแฟนซ้ำๆซักๆมันก็เบื่อ <c oughs> อยากจะหาแฟนใหม่ถ้าคนมีกิเลสก็หาแฟนใหม่ถ้าคนไม่มีกิเลสก็อยู่คนเดียวดีกว่าตามเท่าไหร่ในช่วงแรกสามร้ยห้าสิบกว่าสม้อย้าสิบกว่า พูอย่างนี้คุ้มค่าหน่อยหน่อยไม่ใช่พูดแต่เฉพาะคนที่อยู่แถวนี้เท่านั้นแถวนี้ก็ยี่สิบสามสิบคนแต่คนที่บ้านอีกสิบเท่าอีกสามร้อยกว่าแล้วก็อยู่ทั่วโลกเลยอยู่ต่างประเทศก็มีก็ทําให้มีแรงกําลังพูดหน่อยเหมือนกับว่าเปิดลงหนังแล้วมีคนดูเยอะเมันก็รายได้ก็เยอะใช่ไหมคุ้มค่าเหนื่อยหน่อยคุ้มค่าน้ําค่าไฟ ถ้าเปิดโรงแล้วมีคนเข้ามาดูสองสามคนก็ปิดโรงดีกว่าไม่คุ้มค่าน้ำค่าไฟนี่พอเทศแล้วมีคนฟังเป็นร้อยมันก็มันก็คุ้มค่าน ห, หน่อยหน่อย่เดี๋ยวเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ทางบ้านถามปัญหาน ะ, ะคำถามจากผู้ฝ่งถามค่ะพระอาจารย์มีหลักในการพิจารณา อานาปานาสติอย่างไรบ้างคะอนาปานาสติไม่ต้องพิจารณาให้รู้เฉยเฉให้ใช้ลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งดูลมดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็ให้รู้ว่ากําลังเข้าลมออกก็รู้ว่ากําลังออกใกล้รู้เท่านี้ให้เฝ้าดูให้ใจมีงานทําถ้าใจมีงานทํามันก็จะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์อยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะเกิดอารมณ์ไม่ดีบ้างเสียใจบ้างทำให้ไม่อยากจะนั่งสมาธิแต่ถ้าดูลมไปมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดเดี๋ยวมันก็ว่างเย็นสบายแล้วเดี๋ยวมันก็สงบการดูลมหายใจใดูแค่นี้ไม่ต้องพิจารณาเลยต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้ใจไม่ลอยไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้กำลังหายใจออกถ้าลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปให้สัตว์แต่ว่ารู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปควบคุมมังคาวลมไม่ต้องไป บังคับให้หายใจยาวไม่ต้องไปบังคับให้หายใจสั้นถ้าไปบังคับแล้วจิตมันทำงานจิตมันจะไม่สงบจิตไม่ต้องการทำงานถ้าจิตรู้เฉยๆนี่จิตไม่ทำงานไม่ต้องทำงานจิตก็จะปล่อยวางทุกอย่างเข้าสู่ความสงบได้คาถามจากคุณนัทนันนะคะ เพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ปีกว่ายังไม่ค่อยไปไหนแต่ในชีวิตประจำวันรู้สึกเลยว่ามีความสุขขึ้นทุกยากขึ้นอย่างนี้ถือว่าถูกทางแล้วใช่ไหมคะถูกทางแนละ้วถ้าสุขมากขึ้นทุกน้อยลงกิเลสน้อยลงหรือเปล่าดูตัวนี้ด้วยความโลภ ก, กดหลงโลภโมโทสาร น, น้อยลงไปความอยากน้อยลงไปเห็นกระเป๋าก็ไม่อยากได้เห็นรองเท้าก็ไม่อยากได้ ใครจะซื้อก็ต้องมีความมีเหตุมีผลมีความจําเป็นเช่นกระเป๋าขาดกระเป๋าหายไปต้องมีใบใหม่มาทดแทนไม่จําเป็นจะต้องมีสิบใบใส่กับสิบชุดชุดนี้ต้องใส่ก็ใช้กระเป๋าใบนี้ชุดนั้นต้องใส่ใช้กระเป๋าใบนั้นวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดทีก็ต้องเปลี่ยนของเปลี่ยนจากกระเป๋าใบนี้ไปใส่กระเป๋าใบนั้นก็มีแต่เรื่องมีแต่ อะไรให้ทำใบเดียวมันใช้ได้ทุกอย่างต้องใช้ถุงพลาสติกใบเดียวด้ใช้ได้กับทุกชุดถุงพลาสติกมันก็ใส่ของได้เหมือนกันหายก็หายก็ไม่กี่ตังของฟรีไปซื้อของมาเขาก็ใส่ของใส่ถุงพลาสติกมาให้ก็ใช้ถุงพลาสติกเป็นกระเป๋านี่เป็นไงทําไมเวลาไปซื้อของใส่ ใส่ของในถุงพสติกได้พอไปเที่ยวถือถุงมัสติกไปไม่ได้ <laughs> คําถามจากคุณมงคลค่ะเมื่อนั่งสมาธิพอจิตเริ่สมสงบไม่ฟุง้งแต่มักจะมีอาการคอหมุนไปมาหลายรอบกว่าจะนิ่งบางครั้งตัวหมุนไปมาเป็นเช่นนี้ทุกครั้งอาการเช่นนี้จะแก้อย่างไรดีครับมันต้องไปสนใจถ้ามันเป็นอาการที่อยู่ในจิตถ้ามันถ้ามันเป็นอาการจริงคอหมุนจริงๆก็แสดงว่าไม่มีสติ เวลานั่งจริงๆร่า ง, งกายต้องนิ่งเฉยๆแต่ภายในใจไม่อาจจะคิดว่าหมุนไปหมุนมาอาจจะคิดว่าพองหรือยุบนี้พองลรือหดนี้แสดงว่าเป็นความหลอกลวงของจิตใจมายามายาของใจอย่าไปสนใจไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่กับลมไปอยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วทุกอย่างก็จะหายไปคำถามจากคุณแมนคะ่ะ พอวิธีแก้วิตกในใจขนาดดาเนินชีวิตประจําวันครับกบพทท็พุทโธพุทโธไปเวลาวิตกกับอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราวิตตกพอเราไม่ไปคิดถึงมันเราก็หายวิตกแต่นี่เป็นการแก้เฉพาะหนะ้าถ้าต้องการแก้าถาววนก็ต้องใช้ปัญญาถามว่าเรากําลังวิตตกกับเรื่องอะไรเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ออมันไม่ได้เป็นเราก็วิตกขึ้นมาแล้วเราห้ามันได้หรือเปล่าถ่าไม่ให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็เกิดพอเรายอมรับความจริงได้เราไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็หายทุกข์หายวิตกคาถามจาคุณนทัทนานค่ะขอโทษทีค่ะ คำถามจากคุณพนมพรค่ะลูกสาวโกรธง่ายไม่ค่อยมีเหตุผลพอจะมีวิธีและอุบายสอนยังไงครับก็สอนให้เขาพุโทโธพุโทโธไปให้จิตมีสติสตัสตงล้วก็จะเวลามีความโกรธก็ให้เขาท่องพุโทโธพุโทโธไปให้เขาพยายามหยุดความโกรธไปแล้วก็บอกว่าความโกรธของเขาเนื่นิดจากความอยากของเขาเพราะเขาอยากได้อะไรแล้วเขาไม่ได้เขาก็โกรธ ถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยากให้หัดยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากได้อย่างนุ้นได้อย่างนี้พอไม่ได้ก็โกรธแต่ถ้าไม่อยากได้ก็จะไม่โกรธ ถ, ถ้าอยากจะสอนเขาก็สอนสองวิธีวิธีแรกก็สติเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไป แต่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็อย่าไปมีความอยากอย่าไปอยากได้อะไรเพราะถ้าไม่อยากได้แล้วจะไม่มีวันโกรธที่โกรธเพราะว่าอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เลยโกรธขึ้นมาคาถามจากคุณนันทณีค่ะเวลาเช้ารู้สึกตัวตื่นมาแล้วมีพุทโธตั้งแต่ก่อนลืมตากิตสงบอยากนั่งสมาธิทันทีตั้งแต่ก่อส่วนมนทำวัดเช้า จะเป็นอย่างไรไหมคะเพราะเคยอ่านมาว่าควรขอกรรมฐานก่อนทำสมาธิทุกครั้งไม่ต้องหรอกถ้าทำสมาธิได้แล้วก็ทำไปเลยกรรมฐานนี่ขอครั้งเดียวก็พอการขอธรรฐานก็คือว่าเอากรรมฐานแบบไหนดีเอาพุโทโธดีหรือเอาหรือเอาลมหายใจดีพอเราได้กรรมฐานมาแล้วเราพอพุโทโธเราได้พุโทโธมาแล้วทาใจใเราสงบได้แล้วพออยากจะนั่งเมื่อไหร่ก็นั่งเลยไม่ต้องมานั่ง ไม่ต้องมานั่งรำไหว้ครูกันไหว้ครูคนเดียวก็พอมวยนี้มวยยกนี้มันมันต่อเนื่องกันเรามวยของเราก็คือต่อสู้กับความไม่สงบเห็นพอเราอยากจะสงบเมื่อไหร่ก็ลุยไปเลยพุโทโธไปเลยไม่ต้องมานั่งไหว้ครูกันไม่ต้องมานั่งสมาทานศีลกั น, กนไม่ตัองมานั่งกราบอรหังสัมมาพุโทโธอะไรกันกราบพระอะไรกันการปฏิบัตินี้เป็นการกราบพระในตัวอยู่แล้ว คำถามาจากคุมกัร น, นัธรรมนค่ะสติเผลอและมาช้าจึงรู้สึกได้ว่าเผลอคิดว่าฝึกมองแบบนี้ให้หินเร็วขึ้นมองหาสมุนไัยแล้วค่อยๆทำใจเป็นกลางวางให้ใจเบาและฝึกสติบ่อยๆทำสมาธิให้มากๆให้นานกว่าที่เคยฝึกแบบมีรูปแบบและระยะเวลา ขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะว่าการฝึกนานๆโดยการทำให้นานๆแต่ละครั้งแบบไหนจึงจะไม่เรียกว่ามากเกินหรือทำให้เกิดอันตรายค่ะทำมากเท่าไหร่ไม่มีอันตรายหรอกการปฏิบัติธรรมการภาวนายิ่งทำมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลมากเท่านั้นคำถามจากคุณพจนีค่ะเวลานอนจะภาวนาพอเริ่มเคิมเห็นจิตมันฟุ้งๆกระจาย ภาวนาพุโทโธจนหลับเวลานอนหลับมันเห็นร่างกายพลิกไปพลิกมาตลอดเหมือนไม่หลับเลยตื่นมาก็ไม่ง่วงอันนี้เรียกว่าสติหรือต่อคะ อ, อมีสติมีสติแล้วจะนอนไม่มากพอพักเดี๋ยวเดียวมันก็มันก็ตื่นขึ้ น, นมานะคำถามจากคุณสุพนณาค่ะ พระจา์พูดเรื่องอุเบกขาอยากถามว่ามีพระมิชาทิศฐิจะมาหว่านล้อมให้ช่วยคนชั่วแต่หนูรู้ว่าเขาจะมาหลอกให้ช่วยเลยปิดการติดต่อแต่แล้วเขาโทรมาติดต่ออีกทำอย่างไรถึงจะให้เขารู้ว่าเราไม่อยากยุ่งด้วยะคะเป็นเบอร์ใ่เป็นจิ๊บใแล้วก็เคย เคยด่าพระที่หลอกกินเงินโยมมาแล้วพอรู้ว่าเขาหมดความเป็ดินพระแล้วหนูปิดการติดต่อแล้วแต่เขายังมาติดต่ออีกทําอย่างไรจรึงจะรักษาใจเราไม่ด่าพระอีกคะก็สอนใจว่าการด่าใครไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นหมาก็ไม่ดีเท่งนั้นแหะคนที่จะรับรู้เฉยๆว่าเขาไม่ดีก็พอละการด่ากันนี้เป็นพรารุสวาผิดศีลข้อสาม ข้อ4ีเป็นสิ่งข้อ4คํคำถามจากคุณสุพันธ์ค่ะที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นตัวทุกข์ทำไมคำว่าสัญญาที่แปลว่าความจำได้หมายรู้ ม, งงรมันเป็นทุกข์ยังไงครับอ๋อมันเป็นทุกข์ว่าเพราะว่ามันไม่เที่ยงไงเวลาจำอะไรไม่ได้มันก็ทุกข์แล้ว แล้วว่ามันมันจําจําไม่ถูกนะมันไปจําของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรามันก็ทําให้เราทุกขนะ์ใช่ไหมเรามักจะไปจําว่าคนนั้นคนนี้เป็นของเราใช่ไหมพอเขาไม่เป็นของเราเราก็เสียใจนะพอเขากลายเป็นของคนอื่นไปก็เสียใจหลานยานี้มันทําให้เราเห็นผิดเป็นชอบจําผิด จำในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจำในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจำในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรามันก็เลยทำให้เราทุกข์เวลามันไม่เที่ยงเราก็ทุกข์เวลาไม่มันไม่เป็นของเราเราก็ทุกข์เข้าใจไหมเออคาถามจากคุณมะขินค่ะ เพื่อนกาลังจะไม่อยู่ในโลกนี้พรุ่งนี้จะไปเยี่ยมเขาเขาไม่เคยปฏิบัติมาก่อนควรจะบอกเขาก่อนจะไปอย่างไรดีคะเพื่อให้เขาไปในที่ที่ดีก็อย่างนี้แหละมันจะเอากันง่ายๆบอกปับ๊บเราไปได้ปุ๊บเลยแล้วคนที่มานั่งหลังขนหลังแข็งมานั่ ง, ง, งนั่งรักษาสีนี่มันก็ไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะปฏิบัติสิราให้เวลาใกล้ตายแล้วให้มื ให้เพื่อนมาบอกว่าไปที่ดีนะจ๊ะพูดโธไปนะจ๊ะทั้งปีทั้งชาติไม่ยอมพูดโธเวลาจะตายมันจะมีกติกกระจายจะพูดโธรเลยอย่าไปทําอะไรเลยปล่อยให้เขาไปตามบุญตามกรรมว่าสายไปเสแล้วเหมือนคนขึ้นเครื่องไปแล้วไปทาอะไรเข้าไม่ได้แล้วปล่อยเข้าไปเครื่องจะออกแล้วคำถามจากคุณสรัญญาค่ะ ถ้าเราถือสิ่งแปดภาวนาเราสามารถอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับคนที่ยังไม่ตายได้ไหมคะและอุทิตให้กับคนที่ตายไปแล้วได้ไหมคะไม่ได้ทั้งนั้นนะคนที่เป็นก็ต้องทําเองคนที่ตายก็รับบุญแบบนี้ไม่ได้บุญมันสูงกว่าที่เขาจะรับได้บุญที่เขารับได้ก็ บ, บุญที่เกิดจากการทําทานสําหรับคนที่ตายไปแล้วส่วนคนที่เป็นนี่รับบุญของของคนอื่นไม่ได้ต้องสร้างของตนเองขึ้นมาเอง ต้องทำทานเองต้องรักษาศีลเองต้องภาวนาเองคำถามจากคุณวรพัฒนค่ะระดับพระอรหันต์ด้วยกันจะมีความเห็นในการพิจารณาในเรื่องหนึ่งหนึ่งในเรื่องเรื่องหนึ่งเหมือนกันไหมครับก็น่าไปถามท่านดูนะครัำถามจากคุณแอนค่ะการทำบุญกับพระสงฆ์โดยถวายเป็นปัจจัยกับถวายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้ผลบุญเหมือนกันหรือเปล่าคะ ได้ตามจำนวนเงินน่ยถ้าจ่ายเงินสดกับข้าวของที่มีราคาเท่ากันมันก็ได้เท่ากันคําถามจากคุณมดงานค่ะทำไมถึงไม่มีการบวชภิกษุณีในไทยคะเพราะว่าประเพณีของการบวชภิกษุณีมันหมดไปแล้วการจะบวชภิกษุณีได้นี่ต้องมีภิกษุณีสงแล้วก็ต้องมีภิกษุสง การจะบวชภิกษุณนี้ต้องมีสอ ง, สงมีสงสองฝ่ายบวชสองรอบรอบแรกบวชกับภิกษุสงฆแล้วต้องมาบวชกับภิกษุสงฆ์รอบหสองรอบด้วยกันทีนี้ธรรมเนียมของสายเทรวานี้มันคนที่บวชเป็นภิกษุณีไม่มีใครมาบวชต่ อ, อพอภิกษุณีที่เหลืออยู่ตายไปหมดมันก็เลยไม่มีไม่มีภิกษุณีสง สมัยปัจจุบันเราภิกษุสงฆ์นี่จะบวชพระนี่อย่างน้อยต้องมี10บรูปในในที่ที่มีพระเยอะถ้าอยู่ในที่ที่กันดารก็5รูปถึงจะสามารถบวชได้ถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตไม่มีใครบวชเป็นพระภิกษุเลยเนี่ยพอพระภิกษุตายไปหมดแล้วถ้าใครอยากจะมาบวชเป็นพระภิกษุอีกก็บวชไม่ได้นี่เป็นกติกาที่พระเจ้าท่านสร้างขึ้นมา เพราะท่านไม่ต้องการที่จ ะ, ะท่านคงจะเห็นเหตุผลว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆใครจะ อ, อุตลิก็มาบวชกันอยากจะบวชก็บวชขึ้นมากันแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยสั่งสอนให้ถูกต้องเพราะผู้บวชใหม่นี้ต้องอาศัยพระเก่าเป็นผู้เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนถ้าเกิดไม่มีครูบาอาจารย์แล้วสมัยต่อไปไม่มีพระภิกษุสงฆ์แล้วเกิดมีใครอยากจะบวชก็ไปเอาพ้าหลวงมาหอมแล้วก็บวช แล้วใครจะสั่งสอนเขาล่ะเขาก็สั่งสอนตัวเ็าเองคนที่จะสั่งสอนตัวเองได้ก็มีคนเดียวท่านนะก็คือพระพุทธเจ้า mm hmm. พระพุทธเจ้าไม่มีใครสั่งใครสอน mm hmm. ท่านเป็นคนสอนตัวเองจนท่านตัดสโลมันุเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่คนผู้อื่นที่มาบวชทีหลังเป็นกิเลสไม่คนมีกิเลสทนนะัทน้นกนะ็ต้าอาศาัยคนที่ไม่มีกิเลสมาคอยสั่งสอน เพื่อที่จะได้ตัดกิเลสให้หมดไปจากใจก็เลยไม่มีถ้าไม่มีภิกษุนีสงฆ์หรือไม่มีภิกษุสงฆ์แล้วต่อไปก็จะไม่มีผ้าภิกษุนีหรือผ้าภิกษุสงฆ์แต่ในสายของสายอื่นคือศาสนาพุทธนี้หลังจากที่พระเจ้าตายไปแล้วนี่พระสงฆ์นี่ท่านแยกไปเป็นสายสายบางพวกไปทางทางทางทางตอนเหนือของอินเดียไปทางทิเบต ไปในปานไปเมืองจีนไปเกาหลีไปญี่ปุ่นตัวนี้เขาก็เรียกว่ามหายานเขาก็เป็นเขาก็เป็นสายของเขาไปพวกที่มาทางใต้มาทางศรีรังกามาทางพมา่ามาทางประเทศไทยก็เป็นพวกเทราวะนี่ทางเทราวะนี่ภิกษุณีหมดไปต้องรู้สึกประมาณพันปีมั้งหลังจากที่พระเจ้านิพานไปแล้ว แต่ทางทางสายอื่นของเขาเขาว่าเขายังมีกันอยู่ทางมหายานก็ยังมีภิกษุณีอยู่ถ้าอยากจะบวชภิกษุณีก็ไปบวชกับพวกพระจีนพระเกาหลีนู่นแต่พระไทยนี่เราไม่มีแล้วแต่มันไม่สำคัญอะจะเป็นภิกษุณีหรือภิกษุมันสำคัญที่ปฏิบัติมากกว่าหรือไม่ปฏิบัติทำไมนี้มีภิกษุเยอะแยะไปแลแต่ปฏิบัติกันหรือเปล่าใช่ไม เป็นภิกษุแต่ไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู่พวกที่ไม่ได้เป็นแนละ้วปฏิบัติไม่ดีกว่าเนละยญาญยมนี้บางทีอาจจะปฏิบัติมากกว่าพระภิกษุเสียได้ซ้าไปบางรูปนะบางคนนะญาญยมบางคนนี่อาจจะปฏิบัติมากกว่าพระภิกษุพระภิกษุบางรูปนี่เดินมาไม่เคยนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิไม่เป็นนะ ดังมันไม่มันไม่สำคัญว่าจะต้องเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุหรือไม่เป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุนีหรือไม่ต้องเป็นภิกษุณีสาคัญว่ามันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าสุปฏิปันโนหรือเปล่าการเป็นการจะเป็นสุปฏิปันโนนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นฆราวาสเป็นได้ทั้งสองอย่างพระภิกษุก็เป็นสุปฏิปันโนได้ฆราวาสก็เป็นสุปฏิปันโนได้ อยู่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมายพุทธการพระสุปฏิปันโนจึงมีทั้งหญิงทั้งชายมีทั้งนักบวชทั้งคารวะพระอริยสงฆ์มีทั้งหญิงทั้งชายเป็นทั้งนักบวชเป็นทั้งคารวะเป็นทั้งเด็กเป็นทั้งผู้ใหญ่พราะจิตมันไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายมันไม่ได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้เป็นพระหรือเป็นเป็นคารวะ จิตมันเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่คิดผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่กำจัดกิเลสหรือไม่กำจัดกิเลสจิตที่กำจัดกิเลสก็เป็นพระอริยะเจ้าเป็นมาจิตที่ไม่กำจัดกิเลสก็เป็นปุถุชนงั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องการที่จะเป็นพระภิกษุนี้หรือเป็นไม่ได้เป็นคือได้เป็นพระภิกษุมันก็ดีที่ว่ามันมีธรรมเนียมมันมีมหาลัย มีมาหาอะไรมีสถานที่ศึกษาพอบวชพระเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนมันก็จะทําทให้การเรียนของเราไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไปเรียนเองอย่างเรียนรามนี้ไม่ต้องไปเรียนที่มาหาอะไรเปิดหนังสือดูที่บ้านเองมันก็อาจจะอ า, อาจจะเรียนช้าบางคนใช้เวลาแทนที่จะ4ปีอาจจะเป็น8ปี บางคนก็เรียนไม่จบเลยเพราะไม่มีครูอาจารย์คอยสอนไม่มีเวลาบังคับให้เข้าห้องเรียนตามเวลาการมาบวชก็เป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนนี่ถ้ามีโรงเรียนเรียนมันก็จะทําให้เรียนจบตามหลักสูตรได้ถ้าไม่มีโรงเรียนก็เรียนตามเออเฮยตามอารมณ์ของเราวันไหนขยันก็เรียนวันไหนขี้เกียจก็ไม่เรียนมันก็ต่างกันตรงนั้นเองแต่ถ้าคนเรียนมีความตั้งใจจะเรียน ถึงแม้ว่าไม่มีโรงเรียนไปเรียนก็ถับตัวเหมือนกับไปโรงเรียนทุกวันมีตารางเรียนทุกวันเรียนตามตารางมันก็สามารถที่จะเรียนจบได้เพะฉนั้นเรื่องการได้บวชหรือไม่บวชนี่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่เรื่องของการได้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมีอาจารย์สอนหรือไม่มีอาจารย์ถ้าเรามีอาจารย์ในรูปแบบของเทพซี CD, หนังสือ ก็ถือว่ามีอาจารย์เหมือนกันจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้แต่บวชมันก็ดีอย่างมันไม่ต้องมีภารกิจการงานต้องทําเพราะถ้าเป็นคาราวะก็ต้องหางานหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้องเวลาปฏิบัติมันก็จะน้อยลงไปถ้ามาบวชมันก็มีคนเลี้ยงดูไม่ต้องไปทำมาหากินอก็สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา มันก็ต่างกันตรงนั้นถ้าเป็นคาราวะาแล้วมีกำลังไม่ต้องไปทำงานมีเงินสำรองกินไรจนวันตางก็ไม่หมดก็ไม่ก็มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่เหมือนกันแต่มันก็ถ้าอยู่คนเดียวกลับไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนช้บปฏิบัตินี่คนที่ปฏิบัติร่วมกันนี่ก็อาจจะช่วยเราได้ถ้าเขาเข้มข้นกับเราเขาก็จะดึงเราถ้าเขาหย่อนยานกับเราเขาก็จะเขาก็จะ ให้เราถอยหลังได้ถ้าเราอยู่คนเดียวก็จะไม่มีใครชุดใครลากเราก็ต้องผลักดันตัวเราเองถ้าเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านาที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็จะคอยชุดคอยลากเราคอยดึงเราเราก็สบายไม่ต้องคอยดันตัวเราเองแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยดึงคอยฉุดเราก็ต้องดันตัวเราเองถ้าเราไม่ดันมันก็ไม่ไปแ้วมันก็มีผลดี ท่านได้บวชถ้าได้บวช ไ, ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนก็จะมีคนก็เรียกว่ามีกา ร, รยาณมิตรมีผู้ที่จะคอยฉุดคอยลากคอยจูงคอยสอนคอยบอกเรามันก็จะทําให้เรานี่เรียนจบได้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายถ้าเราต้องอยู่คนเดียวปฏิบัติของเราไปคนเดียวไม่มีครูอาจารย์นอกจากหนังสือซีดีที่เราอ่านฟังนี่มันก็ ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่เหมือนกับได้อยู่กับคนจริงตัวจริงเสียงจริงคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเวลาเราออกนอกลกูนอกทางท่านก็จะเตือนเรา ท, าทันทีแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้ว่าเราออกนอกรูนอ ก, ก, นอกทางไปก็ได้คาถามจากคุณสามารถถ้าเอาทั้งพุทโธกับลมอานาปนาสติควบคู่กันไปได้ไหมครับแต่ทําแบบนี้ไม่เคยรวมเลยครับ แต่พอแค่ส ง, สงบลมละเอียดแค่นั้นแต่ไม่ถึงความว่างเหลือแต่จิตล้วนๆแสดงว่าผมปฏิบัติผิดมาตลอดเลยใช่ไหมครับก็ยังไม่รวมจะว่าผิดก็ <c oughs> ไม่ผิดแล้วเพียงแต่ว่าสติยังไม่ดีพอสติกําลังไม่มากพอที่จะดึงจิตให้เข้าสู่จุดจุดของความสงบได้อย่างเต็มที่เหมือนคนตีกอนะตียังไงก็ยังไม่ลงหนุนาที ก็ต้องพยายามตีอยู่เรื่อยๆสติไม่ดีเวลาพัดนนี่ใจมันไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ตีมันก็ออกมันไม่เข้าหลุมทันทีเน้นต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆแล้วเวลานั่งดูลมนื้อพุโทโธไปมันก็ไม่ไปคิดเรื่องๆๆๆนั้นเรื่องนี้อย่างงั้นเดี๋ยวมันก็รวมได้คําถามจากคุณโคราช การที่เราปล่อยวางสิ่งต่างๆมากเกินไปลดความอยากได้อยากมีมันขัดกับการค้าขายที่ต้องแสวงหากำไรตรงนี้กับผมควรปรับจิตตัวเองอย่างไรให้อยู่กับทางโลกได้ดูเหมือนกลายเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานมากเกินไปครับก็เราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องตัดทางโลกไปถ้าเราต้องการทางโลกเราก็ต้องตัดธรรมะไปยาวทั้งสองอย่างมาไม่ได้ คนเขาถึงคนได้ทํามเขาถึงไม่อยู่กับคนทางโลกไนงะเก็ไปบวชกันพอมันคิดไปคนละแนวทางละวิถีชีวิตการหาความสุขหานคนละรูปแบบละคนที่อยู่ทางโลกเขาหาความสุขด้วยร่างกายด้วยตาหูจมูกลิ้นกายด้วยทรัพย์ด้วยเงินทองคนที่ทางธรรมนี่หาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ หาความสุขจากการตัดความโลภโกรธหลงหาความสุขจากการตัดความอยากต่างๆซึ่งมันสวนทางกัน อ, อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกคนหนึ่งจะเปิดแอร์คนหนึงจะปิดแอร์นี่มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะคําถามจากคุณจารันรัตดิฉันได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเล่าถึงการปฏิบัติธรรมแบบเตโชวิปัสสนาเพื่อเข้าสู่นิพพานแต่อ่านแล้วยังเครือบแคลงใจว่าทําได้จริงไหมคะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราไม่ได้ไปทางนั้นเดโชวิปัสสนาเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคําถามจากคุณไคลินผมสงสัยเกี่ยวกับจิตของมนุษย์เวลาตายครับจิตดังกล่าวมีการเพิ่มลดหรือคงที่ครับหรือตาม อ, ตอัตราการเพิ่มของประชากรโลกครับจิตไม่มีวันตายไม่มีวันเกิดมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นไม่มีเพิ่มไม่มีลด จิตที่มีในปัจจุบันนี้กับจิตในสมัยพระพุทธการก็มีเท่ากันต่างตรงที่ว่าจิตที่หลุดพ้นกับจิตที่ไม่หลุดพ้นนี่มันมันมีเปลี่ยนได้จิตที่หลุดพ้นจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมใครปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ได้ก็หลุดพ้นไปก็ออกจากบัญชีของจิตที่ยังไม่หลุดพ้นมาอยู่ในบัญชีของจิตที่หลุดพ้นแต่ปริมาณของจิตก็มีเท่าเดิมแต่ว่ามีจิตร้อยดวงสมัยพุทธการอาจจะมีจิตสิบดวงหลุดพ้น เก้าสยังไม่หลุด okay. แต่ก็ยังมีจิตเก้าอยู่ร้อยดวงเหมือนเดิมอยู่สมัยปัจจุบันนี้อาจจะมีเพิ่มอีกสิดวงแถวนี้จิตหลุดพ้นมี20แล้วจิตที่ยังไม่หลุดพ้นยังมีอีกแปแต่ตา ม, ตามจํานวนความจริงมันไม่ได้เป็น20 80หรอกอาจจะมี20กับ200ล้านมากกว่า20หลุดพ้นอีก200ล้านยังไม่หลุดก็ดูนกเอวยาวยาหมูเอวยแมวเอวย พวกนี้มันก็เป็นจิตที่ไม่หลุดพน้นอย่งนั้นอะ่ะมันมีนับไม่ถ้วนเห็นไหมดูจำนวนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันกต็ตุกแกแต่ละตัวโมดแต่ละตัวมันก็มีจิตแต่ละดวงพวกนี้มันก็มันก็ยังไม่หลุดพ้นปริมาณของจิตนี่มันเท่าเดิมแต่ปริมาณของมนุษย์ของสัตว์นี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนม า, นมาตามบุญตามกรรม มนุษย์อาจจะมีมนุษย์น้อยลงเพราะว่าไปทํากรรมกันมากตายไปแล้วไ ม, ไม่ไม่ใครกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันก็ต้องไปใช้กรรมในอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นอะไรกันมันก็มีน้อยลงได้มีมากขึ้นได้แล้วแต่แต่ประมาณของจํานวนจิตนี่มีเท่าเดิมคํถาถามจากคุณแป้งจิตกับความคิดเหมือนกันหรือเปล่าเจ้าคะ ความคิดออกมาจากจิตความคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเป็นอาการของจิตเหมือนกับร่างกายเนี่ยร่างกายมีแขนมีขาแขนขาเนี่เป็นอาการของร่างกายเป็นส่วนประกอบของร่างกายความคิดก็เป็นส่วนประกอบของใจของจิตจิตมีส่วนประกอบอยูอส่สีเรียกว่ารูก เ, เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความรู้สึกวิญญาณก็คือการรับรู้ สัญญาก็คือความจำได้ไหมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งอันนี้เป็นอาการของจิตเป็นส่วนประกอบของจิตแต่เวลาอาการเหล่านี้ไม่ทำงานก็จะเหลือแต่จิตลว้ลวนๆจิตลว้ลวนๆก็เหมือนกับจิตก็จะเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวรู้สาสตแต่ว่ารู้อย่างเดียวตัวรู้อย่างเดียวตัวรู้ก็ตัวจิตแต่ตัวคิดนี้เป็นตัวาการของจิต ตัวรู้นี่ไม่เกิดไม่ดับแต่อาการของกิ่นนี่เกิดดับเกิดดับคิดปั๊บแล้วเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็หยุดคิดได้จำได้แล้วก็หยุดจำรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวก็รับหยุดรับรู้มันก็มีเกิดดับเกิดดับไปแต่ตัวรู้นี่ไม่ดับรู้อยู่ตลอดเวลาคำถามจากคุณดนภาสวดมนแล้วตอนแล้วตอนแผ่เมตตาร้องไห้ออกมาเอง แบบบังคับไม่ได้ออกมาเองอเป็นอาการอย่างไรคะแล้วควรทําอย่างไรต่อถ้ามีแบบนี้อีกก็ทามันมีความสุขก็ร้องไปเลยไม่มีใครว่าเลยบางทีมันมีความซาบซึ้งใจที่ตัวเองมีความคิดที่ดีต่อสัตว์ทั้งหลายก็ทาให้เกิดมีความสุขใจซึ <c oughs> ้ง ใ, ใจก็น้ำตาไหลามาถ้าหลายแบบนี้มันไม่เป็ น, ม, น, ม, ปนมันไม่เป็นกิเลสมันไม่เป็นทุกข์ก็ปล่อยันไป ถ้าอยากจะไม่ไหลก็ควบคุมก็หนึงใจไว้พุโทโธพุโทโธไว้ใช้สติหนึงใจไว้มันก็มันก็หยุดไหลได้ถ้าเราปล่อยไม่ไม่ไปควบคุมบังคับมั น, ม, นมันก็ไหลไปตามความรู้สึกซึ่งไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์แต่อย่างใดคำถามจากคุณขอตามเธอไปในทางธรรม หนูเคยภาวนาแล้วเข้านอนไปปรากฏว่านอนไม่ค่อยหลับจะหลับหลับตื่นตื่นแล้วรู้สึกมีแสงสว่างอยู่ที่อกด้วยค่ะอันนี้คือเข้าสมาธินอนใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้รุ่งขึ้นให้รีบภาวนาใช่ไหมคะหลับหลับตื่นตื่นมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความถ้าสงบนี่ถ้าเป็นสมาธินี่ปุ๊บมันก็หลับไปเลยนิ่งเลยไม่ฝันเลยถึงเรียกว่าปิดกลังของสมาธิถ้าหลับลับตื่นตื่นก็แสดงว่า ใจยังไม่สงบใจยังคิดปรุงแต่งอยู่มันก็ระหลับบ้างตื่นบ้างคำถามจากคุณเทพภสิทธิ์เ ล, ลาภาวนาคอยจะเผลอบังคับลมอยู่เรื่อยมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับถ้ายังยังไปบังคับลมอยู่ก็อยางเพิ่งไปใช้ลมใช้พุโทโธไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนจนกว่าใจจะนิ่งใจจะเฉยแล้วค่อยดูลมต่อไป คำถามจากคุณจุ๊บตอนนั่งสมาธิพอนั่งได้ไปสักพักจะมีอาการเหมือนจะหงายหลังบ้างหรือเหมือนคนสับพองบ้างแต่ตอนนั้นเรารู้ว่าเราไม่ได้ง่วงนะเจ้าคะเ ม, เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแต่ช่วงเดือนนี้เป็นทุกครั้งที่นั่งสมาธิลูกควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะกะ็ลดอาหารหลงกินให้น้อยหนะ่อยกินวันละมือ้อหรือไปนั่งที่ป่าช้า นั่งที่มันน่ากลัวเออนั่งที่ปากเขวก็ได้แล้วมันจะไม่สับสงกอีกคำถามนะคะก า, ก, าการเจริญสติด้วยการเพ่งเทียนท่านพระอาจารย์มีคำแนะนำใหม่คะว่าควรฝึกอย่างไรให้เกิดผลที่ถูกต้องแล้วค่ะการนั่งสมาธิจะให้จิตรวมนี้มันต้องปิดทวารทั้งห้าปิดตาหูจมูกเล็กาย ถ้าเปิดตามันก็จะไม่มันจะเข้าข้างในไม่ได้เพราะใจมันจะไปติดอยู่กับรูปที่เห็นอยู่ยงั้นถ้าจะนั่งสมาธินี้ถ้าจะเพ่งก็เพ่งเฉพาะดูข้างแรกดูแล้วหลับตาแล้วใช้จินตนาการคิดถึงคิดถึงภาพเทียนแทนต่อไปอย่างนี้ได้อยู่เขเรียกเพ่งกระสินคือต้องต้องเพ่งด้วยทางใจไม่ใช่เพ่งด้วยทางตาทางตานี่ จ, จะดูเป็นตัวอย่างว่า เราต้องการให้นึกถึงถึงภาพแบบนี้พอเราเห็นภาพแล้วเราก็หลับตาแล้วเราก็นึกถึงภาพนั้นขึ้นมาในใจถ้าอย่างนี้ถ้าใจเกาะติดอยู่กับภาพนั้นใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิได้แต่ถ้าลืมตาดูนี่มันจะเข้าไม่ได้เพราะใจมันถูกดึงออกไปให้ติดอยู่กับรูปอยู่หมดเรียบมีค่ะเอาอีกสักคําถามสองคำถามกว่าพอนะเพราะใจจะหมดเวลาแล้ว คำถามจากคุณตะวันยิ้มค่ะเนื่องจากครอบครัวทําอาชีพค้าขายและทําสวนทําให้บางครั้งหลีกเลี่ยงที่จะกำจัดหนูกบมาแรงไม่ได้เนื่องจากหนูทําลายข้าวของมากเหลือเกินขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะขอแนะนำก็ไปเปลี่ยนอาชีพเลยถ้าเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็รับกรรมไปคาถามจากคุณอมอน ถ้าผมเป็นคนหลงไหลในรูปร่างที่สวยงามของหญิงสาวควรพิจารณาอาัศวะกรรมฐานทางไหนครับก็ดูซากศพเนะี่ยดูเวลาร่างกายตายไปแล้วยัยงสวยยัางงามอยู่หรือเปล่านึกถึงภาพที่เขาสวยแล้วนึกถึงเวลาที่เขาตายแล้วเป็นไงเอาภาพของคนตายมาเปรียบเทียบดูกันต่อไปร่างกายของคนของคนทุกคนก็จะต้องเป็นอยางไง ด, ด, ดูตอนแก่ก็ได้ถ้ายังไม่ตายดูตอนที่หนังเหี่ยวย่นผมขาวหงอกเดี๋ยวนี้เขามีภาพให้ดูดาราสมัยที่ก็เป็นสาวกับเวลาที่เขาแก่ก็คนเดียวกันนะหมดแล้วใช่ไหมออเอเามีเอาเอาีกคำสุดท้ายจริงๆร เข้อถามจากคุณขอตามเธอไปค่ะเคยได้ยินพระเทศว่าให้มีชีวิตอยู่อย่างผู้มีราตีเดียวจเจริญหมายความว่าอย่างไรคะคือใหมีสติตลอดเวลางคนที่มีสตินี่เหมือนคนตื่นะคนที่ไม่มีสติเหมือนคนหลับเป็นคนเมาเหล้านี่ไม่มีสติก็เหมือนคนหลับคนที่มีสตินี่จะตื่นตลอดเวลาจะเลยเป็นถือว่ามีราตีเดียวไม่เคยหลับหลับก็หลับทางร่างกาย แต่จิตน่มีสติอยู่ตลอดเวลาอาท น, นี้แล้วนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน